สวัสดีทุกทุกรัค่ะท่านกําลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาที่ทางสถานวิทยุครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมเกียรติค่ะเราก็เป็นรายการที่จะสนทนาธรรมและให้ความรู้ในเรื่องของคําสอนของระศาสดาที่เรียกว่าเป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษนะคะนอกเหนือจากจะฟังพระสูตรที่ท่านมาร์คได้อ่านไปคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตอบคําถามมีพระภบูรุญอภิปุลโน จาวัตปารณหายโซอุดรธานีจะมาเป็นผู้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจะนะให้แก่พวกเราคะ่ะนมส ก, กา ร, า ค, ารค่ะท่านคะจ่าเจริญพรค่ะคำถามติดค้างตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่มีท่านฟังได้ถามไปยัง www. p ิ e ยธามะ o c o m หนึ่งูย์ของท่านนะ น, นะคะว่าเมื่อภิกษุสงเจ็บป่วยต้องปฏิบัติอย่างไร มีพุทธวจะนะเกี่ยวกับการปฏิบัติของภิกษุหรือไม่กรณีที่ไม่มีโยมอุปถากซึ่งผู้ถามคือคุณหมอเนี่ยนะคะก็บอกว่าน่าจะลำบากมากมสำหรับพระที่ตัวเองป่วยนะถ้าพระที่ตัวเองป่วยคือพระเนี่ยเราต้องอยู่ตามมีตามได้อยู่แล้วก็คือไปบิณฑบาตไปอะไรต่างๆเหแล้วเนี่ยทีนี้กรณีป่วยจะทำยังไงกรณีป่วยเนี่ย<ม>พระเจ้าก็มียาสำหรับให้พระป่วยอยู่นะก็จะเป็นลูกของสมอ ลูกสมอเนี่ยที่เอามาดองกับน้ำปัสสาวะนะเาเรียกว่ายาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยเอามาเป็นคุณสมบัติเป็นยาได้แล้วก็อ่านี่คือสิ่งที่พระต้องปฏิบัติอย่างเวลาบวชมาแล้วเนี่ยนะคุณโยมติว๋วอุปชาเนี่ยจะต้องบอกนิสัยสี่อย่างคือสิ่งที่เธอต้องปฏิบัติ4ี่อย่างทันทีนะไม่ก่อนไม่หลังกับการบวชคือ1เธอต้องบินทบาทนะ มาอยู่นั่งกินนอนกินไม่ได้ต้องไปบินตบาตต้องแสวงหาอาหารด้วยการออกไปบิณตบาด 2. เธอต้องอยู่เซนาสนะป่านะอยู่เซนาสนะป่าเนี่ยหมายความว่าก็อยู่ตามมีตามได้อยู่ตามแนวป่าะอะไรต่างๆแต่ถ้ามีคนถวายวิหารอันประณีตเนี่ยจะอยู่ก็ได้ข้อแร ก, ก็เหมือนกันนะถ้าเผื่อว่าเธ อ, อต้องไปบินตบาดนะแต่ถ้ามีบุคคลที่เขานิ ม, มนต์ไปฉันตามที่ต่างๆเธอจะไปเธอก็ไปได้ไนี่คือเปิดช่องให้ไว้ อันดับที่3นะเธอต้องอยู่ถือผ้าบางสกุลนะคือผ้าที่แบบเก็บเก็บตกต ก, ตกเอานะเขาไม่ใช้ก็เอาแต่ถ้ามีผ้าอันประณีตอันบุคคลถวายเนี่ยเธอจะใช้ก็ใช้ได้นะอันที่4ี่นะพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเธอนะถ้าป่วยนะก็กินย า, นาดองน้ํามูดเน่านะคือเอายาเอาผลไม้เนี่ยที่มีรสเ ป, เ ป, เปรี้ยวๆรสฝาดๆเนี่ยมันดองกับน้ําปัสสาวะของตัวเองกินนะแต่ถ้ามียาอันประณีตนะคือในยใสเนยข้นน้นํามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยจะฉันเนี่ยก็ฉันได้นะ ักษณะ น, นี้เพราะนั้นถ้าไม่มีนี่ผู้เช้าอธิบายไว้สองขั่วเลยนะคั่วแรกก็คือเอาตามีตามได้สุดๆเลยกุญแจป่วยใช่ไหมไปเลยเอาน้ำผลไม้ฝาดๆมาดองน้ำปัจจําตัวเองกินนะหรือยาอันประณีตนะก็คือในสมัยก่อนเนี่ก็จะมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยห้าอย่างนี้สมัยนี้ก็คงจะเปรียบเทียบกับไปโรงพยาบาลหาหมอกินยาดีๆอย่างนี้นะค่ะ แล้วก็มีอีกประการหนึ่งสำหรับพิกสุ ป, ป่วยเนี่ยก็คือว่าถ้าป่วยจนแบบไปบินทบาดไม่ได้เลยอยู่องค์เดียวเพื่อนก็ไม่มีไม่มีใครมาคอยดูแลนะกินได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปให้เขามาให้เนี่ยหยิบมากินเลยดินเอาดินเนี่ยมากินได้ดินเนี่ยฉันล่วงลาคอได้โดยไม่ถูกปรับอาบัต แล้วดินเนี่ยมันก็เคยได้อ่านราย ง, งานทางการแพทย์อยู่เหมือนกันว่ามันมีคุณสมบัติของการที่เป็นตัวที่ทําให้ เ, เขาเรียกว่าอินฮิบิเตนต์คือระ ง, งับปฏิกิริยาทั้งหลายแหล่ซ ง, ซ, งซึ่งตรงนี้พระเจ้าก็เปิดช่องไว้ให้ว่าเออถ้าไม่มีอะไรจะกินนะก็กินดินซะแก้ป่วยด้วยอย่างนี้ mm hmm. อย่างอะไรก็ตามเนี่ยสำหรับเวลาที่พร ะ, พระป่วยเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้ามีหลายๆรูปเนี่ยต้องช่วยกันดูแลคุณโยมติว๋วพระพุทธเจ้าเนี่ย <S <S ใ, ให้พระสงฆ์เนี่ย ดูแลซึ่งกันและกันนะถ้ามีเป็นผู้ที่มีอาจารย์องค์เดียวกั น, นยอยู่ด้วยกั น, นคุณต้องดูแลกันนะในเรื่องตั้งแต่เรื่องอการปฏิบัติตัวเรื่องการทำกิจเรื่องการเจ็บป่วยต้องดูแลกันหมดช่วยกันช่วยดูแลกันเพราะว่าบรเาิเจ้าเหตุผลว่าไม่มีใครที่จะมาดูแลเธอแล้วนะเธอออกจากเรือนพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีมมมพี่น้องเขาก็ไม่แยแสแล้วถ้าไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแล ก็เน้นให้ภิกษุเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันแต่ที่พูดมาในตอนแรกเนี่ยคือในกรณีที่ว่าอยู่องค์เดียวอย่างนั้นท่านคะ่ะฟังท่านเล่าให้ทราบเนี่ยเพลินเลยนะคะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฉุกคิดได้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยพระสมัยนี้ยังให้นิสัยกันแบบนี้ไหมคะพระอุปชาค่ะใช่ใช่ถูกต้อง อ, อ, อย่างวัดป่าดอนไหนโซกหรือว่าวัดนาปะพงเนี่ยถ้ามีภิกษุ องไหนป่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูกันตั้งแต่นี่เลยนะคุณยมติวตั้งแต่เจ้าวาดพระภิกษุทั้งรูปทุกรูปสามเณรคนวัดนะถ้ามีใครป่วยแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยนะคุณเป็นโทษเป็นโทษค่ะอันเนี้ยพอจะเข้าใจคะ่ะท่านคะแต่ว่าในสี่นิสัยสี่ที่ท่านพูดตอนแรกอะคะ่ะ<อ>ว่าเมื่อบวชปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อุปชาจะต้องบอกกับผู้ที่บวชเนี่ยทันทีคือเรื่องของนิสัยสี่ถูกต้องทีนี้ อย่างบินทบาทเนี่ยก็เห็นหน้าที่จะมีกันอยู่แล้วนะคะเรื่องถือผ้าบางสุกุลเรื่องถ้าป่วยให้ฉันดองอยาดองน้ามูดเน่าเนี่สิคะข้อนี้ดิฉันว่าบอกบอกคือสงสัยว่าบอกหรือเปล่าบอกมอคือมัอนก็นว่าบอกหมดแต่บังเอิญมีข้อยกเว้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็จึงอาจจะมีญาติโยมมาถวายท่านในสิ่งที่เป็นข้อยกเว้นเสียทั้งนั้น ใช่ใก็ถ้าในกรณีมีโยมอุปถากเนี่ยจะพาไปหาหมออะไรต่างๆก็ได้ในเมืองไทยก็ยังมีระบบของโรงพยาบาลสงฆ์นะซึ่งก็ยังอยูนพระสงค์ดีอยู่จ้ะทีนี้ท่านพูดถึงคําว่าถ้าเกิดเจ็บแค่ได้ป่วยมาในระบบอุปถากเนี่ยมีคนพาไปหาหมอได้แต่ทีนี้ถ้าในกรณีทั่วไปถ้าเกิดพระรู้สึกไม่สบายเองพระไปหาหมอได้ไหมครับไปเองอะค่ะไปเองไปหาหมอ ก็ต้องอยู่ที่ว่ า, าหมอคือเหมือนว่าไม่มีโยคูปถาพารหมอคนนั้นเขาเขาปวารณาไว้ไหมถ้าหม อ, หมอไม่ได้ไม่ได้เปรวารณาไว้จะไปหาขอให้เขาช่วยใช่ไหมก็ไม่ได้ก็จะไม่ได้นั้นก็เหมือนกับว่าเป็นญาติเป็นโยมเนี่ยจะต้องคอยสังเกตเหมือนกันสิคะว่าถ้าเกิดพระอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยท่านหายไปนานๆต้องไปดูไหมคะว่าท่านป่วยหรือเปล่าอก็ก็เป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ฉลาดอืม เพราะว่าถ้าพิจารณาตามพระวินัยแล้วดูเหมือนกับเป็นอย่างนั้นนะคะว่าลําพังตัวท่านเนี่ยท่านเดินไปหาหมอไม่ได้ถ้าไม่มีใครปรารณาณ์ใช่ก็โยมส่วนใหญ่เขาก็จะอย่างสมมุติโยมที่อยู่วัดเนี่ยถ้าปรารณาเขาก็จะปรารณาในลักษณะที่ว่ามีปัจจัย4ี่อะไรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4ี่ที่ต้องการให้รับใช้เนี่ยในระยะเวลา3เดือนปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพูดออกมาใช่ไหมนี่คือระบบที่ถูกต้องของการปรารณาซึ่งยาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ เพราะพระเนี่ยก็จะสามารถขอจากบุคคลที่ได้ประวณาเอาไว้กับตัวเองได้อย่างนี้แต่ถ้าไม่มีใครประวัณนาเลยพระนี่ไม่สามารถที่จะเอ่ยปากก็จะลำบากจึงจําเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่เข้าใจถึงเรื่องของพระวินัยพอสมควรทีเดียวแล้วก็ไปขอประวัณาไว้อย่างกับสมมติดิ่ฉันไปที่วัดเนี่ยถ้าดิฉันเข้าใจถึงเรื่องนี้แล้วตัวเองมีศักยภาพทางด้านไหน สมมติดิฉันเป็นหมอเองก็อาจจะไปปรบรณาไว้ว่าถ้าท่านเจ็บแค่ได้ป่วยอย่าลืมเรียกผมภายในสามเดือนนี้ผมยินดีจะรับใช้อย่างนั้นรอเปล่าคะอ่าถูกต้องถูกต้องนะคะอ่าดิฉันก็เพิ่งทราบนะคะนี่ว่าพระเด้แท็กซี่ไปหาหมอเองโดยหมอไม่ได้ปรบารณาไม่ได้ หรือว่าถ้าบุคคลที่เขาไม่ไม่ได้เป็นหมอนะสมมุติถ้าคุณไม่ได้เป็นหมอเนี่ย ค, คุณต้องการจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยก็ปรารณาท่านเรื่องทั่วไปเลยเรื่องของปัจจัย4นะเพราะว่าอาการป่วยเนี่ยยารักษาโรคเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4แนตะ่ถ้าภิกษุรูปนั้นทราบว่าอ้ออุบาสกอุบาสิกาผู้นี้นะไม่ได้เป็นหมอก็จริงแหละแต่ว่าปรารถนาเรื่องปัจจัยสอยู่ถ้าต้องการยาอะไรก็ให้บอกก็ได้ก็จะพาไปหาหมอพาไปขึ้นรถ อุบาสอุบาสิกาคนนี้ก็ต้องทําการอุปถากไปทําตามหน้าที่ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้อย่างนี้ค่นะคะนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราได้ความรู้ว่าพระภิกษุป่วยพระพุทธองค์ก็มีพุทธบัญญัติเอาไว้อย่างแน่นอนแล้วและเป็นพุทธบัญญัติที่พวกเราทุกคนถ้าได้รู้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์หากเราเป็นคนที่ศรัทธาในพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เท่ากับว่าเราได้เกื้อกูล ยังที่ทำให้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นสบายหน่อยค่ะอย่างยาที่พระพุทธเจ้าได้ได้เคยบอกเอาไว้นะคือเอายาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยก็เอาผลไม้ที่มันฝดฝาดเนี่ยมาดองน้ำปัสสาวะตัวเองเนี่ยได้ผลดีมากคุณโยมติวอืมค่ะแล้วก็การที่รับประทานด้ได้ผลโรคอะไรบ้างคะท่านคะมันมันแก้สารพัดโรคเลยคือปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ ออะไรมันก็สบายหมดเพราะว่าพอฉันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะถ่ายอย่างอย่างมากนะอะไรต่างๆที่เป็นพิษ อ, อะไรไม่ดีเนี่ยมันก็จะออกหมดเป็นอย่างนี้ค่ะสูตรในการดองนี่ขอถามได้ไหมคะว่าดองนะแค่ไหนยังไงและใช้ปฏิสวาคนอื่นได้ไหมคะท่านสูตรนี่ก็ลองทุกสูตรแล้วนะมันก็ยังยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้ผลจริงๆบางทีมมันก็เน่าบางทีมก็ฟองขึ้นบางทีมก็ไม่ขึ้นแล้วก็ ก็ลองลองทำเก็บไว้อย่างเงี้ยถ้ามีก็จะทำเก็บเอาไว้ปัสสาวะนี่ปัสสาวะคนอื่นได้ไหมก็คิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะคิอ <laughs> ฉันกําลงัลงสงสัยตอนนี้มันมียาชนิดหนึ่งนะคะอ่าออกำลังได้รับความนิยมด้วยเขาบอกว่าเอาสมอทั้งหลายตามพุทโวัจะนะเลย ช, ชเอาไปทำอืมและนฉันเลยสงสัยเหมือนกันเอ๊ะที่เขาทำเนี่ยเขาใช้น้ำปัสสาวะดองหรือเปล่าอ่านั่นแหละสินะ นะคะ <c oughs> แต่ว่าเป็นที่นิยมมากในสังคมนี้ <c oughs> เพียงแต่ <c oughs> พูดถึงแต่ส่วนผสมที่เป็นสมอง่ะคะแต่ว่าพูดว่าสมองตามพุทธวจะนะใช่แล้วก็นอกจากสมองต้องมีมีน้ำมูดเน่านี่แหละคือน้าปัสสาวะแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นปัสาวะใครหรอกก็ก็คงจะเป็นของใครก็ได้น ะ, ะ แ, แต่พูดถึงว่าเรื่องการดื่มน้ำปัสวะก็ได้ยินมานานแล้วเหมือนกันนะคะอืมอื อีกประการหนึ่งก็คื อ, คอเรื่องของการการกินดินเอาดินเนี่ยมารับประทานเกลื อ, อล้างน้ำให้ให้มันสิ่งสกปรกที่ที่เป็นของห ย, ยาบๆปลดตัวไปก่อนแล้วก็กินดินที่มันละเอียดละเอียดนิดนึงอันนี้ก็จะจะใช้งานได้เหมือนกันมันจะช่วยให้ท้องมันผ่อนคลายด้วยอย่างนี้คือถ้าพูดถึงดินในสมัยพุทธกาลสองพันห้าร้อยหกร้อยปีที่ฉันว่าเราก็ยังอาจจะ มีความเชื่อว่ามันน่าจะสะอาดกว่าดินปัจจุบันแล้วนะคะคือเหมือนกับว่ายิ่งถ้าข่าวตอนนี้นะท่านนะออืคนจะกลัวพวกสารเคมีต่างๆนะคะออืเนื่องจากว่าอย่างกรณีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะพูดถึงสารเคมีรั่วสารเคมีไหลาสารอะไรก็แล้วแต่ออคนสมัยนี้คงทําใจลําบากอยู่เหมือนกันนะคะที่จะไปหยิบดินมาล้างน้ําแล้วก็ทาน ก็คงต้องพิจารากันไปแต่ว่านี่นี่เป็นเรื่องคำสอนของพระศาสดาจสำหรับกรณีที่ไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายเนี่ยมีพุทธบัญญัติไว้ไหมคะถึงเรื่องสุขภาพไปต้องป้องกันยังไงมีประเด็นนี้ก็คือว่าถ้าต้องการให้อายุยืนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีธาตุไฟพอดีนะไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไป อสองาการย่อยอาหารเนี่ยต้องต้องฉันอาหารที่ย่อยง่ายทีนี้การฉันอาหารที่ย่อยง่ายเนี่ยก็ทํายังไงถึงจะให้อาหารย่อยง่ายนะพุทธเจ้าก็เลยเคยบอกไว้ว่าเดินจงกรมนะการเดินเนี่ยอณิสงของการเดินอย่างหนึ่งเนี่ยจะทําให้อาหารเนี่ยที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วริมแล้วเนี่ยย่อยไปได้ด้วยดีเพราะนั้นการเดินเนี่ยจะทําให้อายุยืนได้นะประการที่2ก็คือ อย่ามีเวทนาให้มีเวทนาเบาๆงอย่ามีเวทนาหนักมากเวทนานี่ก็คือความรู้สึกนะความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อย่าให้มันแบบมากหรือว่าสุขก็สุขมากมากทุกข์ก็ทุกข์มากมากอย่างนี้อยากให้เป็น่ยให้มันแบบพอดีคนสมัยนี้เขาเรียกเวียงอคนสมัยนี้เขาเรียกก็มีอารมณ์เวียง <c ười> ให้มันมนสุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งนี่ถือว่ามีเวทนามากไปไม่ดีนะคะถูกต้องจะทําให้อายุสั้น มีข้ออื่นอีกไหมคะไม่ร้อนไปไม่เย็นไปฉันอาหารย่อยง่ายเดินจงกรมทำให้ย่อยง่ายมีเ<ะ>วทนาที่เบาบางแล้วก็มีมีเท่า น, นี้แหละอ๋ อ, อค่ะเน้นนี่สูตรอายุยืนพระพุทธเจ้าเลยใช่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งคือให้มีศีลใช่ให้มีศีลต้องบวกด้วยใช่ไหมคะว่าต้องมีศีลผนวกกับสูตรอายุยืนสองสาข้อ น, นออี้ก็จะมีสิทธิ์ได้ทาให้อายุแบบว่า ธาตุาไฟเนี่ยพอควรไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินนะไม่ไม่ค่อยมีอาพาธอย่างนี้ค่ะ อ, อันนี้ก็ดูเหมือนกับว่าพระพุทธองค์นี่จะทรงรอบรู้แล้วก็ดูดูพิจารณาตามไปนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยล้าสมัยเลยนะคะคนที่เป็นโรคท้องอื่นนะคะเขาบอกบอกว่าให้ขยันเดินแล้วก็จะทำให้ลำไส้ได้ขยับยนเคลื่อนไหวบ้างใช่ใช่ การเดินเนี่ยจะไปสอดคล้องกับสน อ, นอกจากจะทำให้อาหารย่อยง่ายแล้วนะคุณโยมติ๋วจะทำให้เป็นผู้อดทนในการทำความเพียรแล้วก็จะทำให้สมาธิที่เกิดในเวลาเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานเนื่องจากว่ามันมีผัสสะมากกว่าการนั่งใช่ไหมพอมีผัสสะมากกว่าการนั่งเนี่ยเวลามีสมาธิอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ได้นานมากขึ้น แล้วก็จะเป็นผู้ที่เดินทางไกลได้อดทนต่อการเดินทางไกลได้น้องคะ่ะก็เรียกว่ามีอา น, นิสงส์งหลากหลายละ่ะวันนี้เราได้ความรู้ไปหลายเรื่องเลยทีเดียวนะค ะ, ะอย่างหนึ่งก็ได้รู้ว่าเราควรปฏิบัติต่อพระป่วยเช่นไรพระป่วยท่านดูแลตัวของท่านเองอย่างไรกับเรื่องที่สำคัญทุกคนเอาไปใช้ได้เลย น, ะนั่นก็คือทำอย่างไรจึงจะอายุยืนสูตรพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่อย่างรู้ทุกเรื่อง ได้การขนาดนี้แล้วใช่ค่ะแล้วเป็นวิธีที่เราทำเองได้นะเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ให้พาดไฟของเราเย็นไปร้อนไปเลือกอาหารสักหน่อยหนึ่งที่ย่อยง่ายเดินจงกรมจะช่วยให้ย่อยง่ายแล้วก็อย่ามีอารมณ์ที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงก็คงจะเพียงพอแล้วมั้งคะท่านคะวันนี้ S <S นะคะเพราะว่าเวลาก็ดูเหมือนกับว่าให้เราเท่านี้ด้วยกันเหมือนกันนะคะก็นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุณโญในโอกาสนี้คะะ่ะอาจารย์ประภานนมัสการค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะแล้วส่วนของรายการของเรานอกเหนือจากความรู้ที่ได้ให้ไปแล้วนั้นมีที่เป็นรูปธรรมแจกเป็นแผ่นก็มีนะคะเอ็พสามทั้งในส่วนที่ในรายการของเราในส่วนที่ท่านไพบุญได้จัดรายการข้างนอกด้วย แล้วก็ในส่วนที่มีการเดินทางไปอินเดียช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นการแสดงธรรมของพระจันย์คึกฤทธ์อยู่ในรายการของดิฉันอีกที่หนึ่งอยู่ในแผ่นเดียวกันอันนี้แจกให้วันละห5ท่านคุณมดนะคะเป็นโยมคนหนึ่งได้มีศรัทธาทำมาให้ส่วนหนังสื อ, อสท่านจันทรคึกฤทธ์โสติพโลก็ยังเมตตามอบให้พวกเราช่วงนี้จะเป็นวันละสามเล่มนะคะสาหรับสามคน หนังสือพุธทธวจนะชุด9ก้าย่างอย่างพุท ธ, ธขอมาที่02 269 0006 000นะคะและอย่าลืมส่งคำถามของท่านไปที่เพีวธรรมะ .com/106 ส่วนรายการของเราก็ควรต้องลากันด้วยการที่พยายามให้ท่านมีความมั่นใจนาเอาพุธทธวจนะไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วท่านจะพบกับความสวัสดีของชีวิตคะ่ะพุธทธวจสวัสดีคะ่ะ